ซึ่งเรื่องของนบียูซุฟยังคงเป็นเรื่องที่ปรากฏอยู่ในอันกุรอานเยอะเหมือนกันนะ สุรยุทูสุเนี่ยมีมีร้อยสิบเอ็ดอายะตอนนี้มันเราจะเรียนรู้วันนี้อายะที่เก้าสิบเอ็ดเก้าสิบเอ็ดถึงเก้าสิบห้า อืมจะกันลวันนี้ไม่มีชีดเพราะคนทำชีดไม่ว่างนะอาจะอ่านให้ฟังอัลลอฮฺเบลลาอีมินะชิสลามนิรยม قالوا ت َ ا, الله إ ل َّ ه ِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا و َ إ ِ ن كُنَّا لَخَاطِئِينَ قَالَ لَا ت َ ف ْ ص ِ ر ب عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ي َْ ف ِ ر ُ اللَّهُ لَكُمْ و هو َُ أرحم َ الراحمين إذهبوا َ بقميص هذا فألقوه على َ وجه َ أبي ي ْ ت ي بصيرا و ْ ت و ن ي بأهلكم َِِْ أجمعين ولمَ فَصَلَتِ العِيرُ قَالَ أَبُو هُمْ إِنِّي لَأَجِلُ رِيحِ يُوسُفَ لَوْلا أَنتُ فَنِدُونَ قَالُوا تَالَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ เ, เรื่องราวก็ถึงตอนที่พี่น้องของนบียูซุฟได้มาหาท่านนาบียูซุฟเพื่อขอความช่วยเหลือในเรื่องของอาหารเนื่องจากว่าประเทศพบกับความแห้งแล้งแล้วก็เรื่องของเมล็ดพันธุ์พืชที่จะไปเพาะปลูกในตอนต่อไปเ อ, อ ระหว่างทางระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลาวิลซุปก็ได้ได้สร้างปรากฏการณ์ที่ยึดบุญยมินไว้อย่างที่เรารู้อยู่โดยอ้างว่าขโมยกันตังที่ตวงข้าวเพื่อจะยึดน้องชายไว้แต่ว่าเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปก็เป็นที่ประจักษ์ ที่พี่น้องของนา บ, บียูซุปได้ตั้งข้อสังเกตแล้วก็ได้ให้ข้อสรุปว่ากอลูอินนากาลาอันตะยูซุปพี่น้องของนา บ, บียูซุปก็บอกว่าท่านใช่ไหมอินนากะแท้จริงท่านลาอันตาท่านอีกเป็นการเน้นว่าท่านใช่ไหมยูซุปที่เป็นยูซุปที่เป็นน้องชายต่างมารดา วันนี้ได้เป็นขุนคลังของอียิปต์แล้วก็ละอายูสุบวาฮาดาอัคีนบิยูซุก็บอกฉันคือยูซุปและนี่คือน้องชายของฉันที่ชื่อบุญญา ม, มินแม่เนี่ยเขามีพี่น้องสองคนคือยูซุปกับบุญญามินแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้พี่น้องนบิยูซุปต้องการจะเด่นแต่เด่นไม่ได้ก็คิดฆ่า คนเราบางทีแข่งขันไม่สําเร็จก็ฆ่าคู่ต่อสู้ซะมันจะได้หมดเรื่องหมดราวนะแต่ว่าอัลลอฮ์กำหนดว่านาบียูซุปจะต้องไม่ตายเนื่องจากการถูกฆ่าโดยให้หมาป่ากินแล้วก็ไม่ตายที่นบียูซุปถูกโยนลงในเหวเมื่ออัลลอฮ์ไม่ให้ตายเนี่ยปรากฏการต่างๆของการช่วยเหลือมันก็เกิดขึ้นแลน้วนบียูซุปก็บพบกับวิกฤตต่างๆนานา ความหลอกก็เป็นอันต ร, รายสำหรับนบียูสุขความสวยก็เป็นอันต ร, รายเช่นเดียวกันเพะฉะนั้นเก็บ ค, ความสวยไว้เมื่อกี้โตะฟะงฮานูนปรึกษาว่าลูกสาวสวยแต่ว่าสติไม่เคยดีแล้วก็หายตัวไปนานแล้วหลายเดือนไม่รู้จะติดตามอย่างไร จะไปแจ้งความจะไปทำอะไรคดีมันต้องใช้เงินใช้ทองแกก็ไม่มีสตางค์ก็ขออนุญาตต่อา้องนะให้เขามีชีวิตอยู่แล้วก็กลับมาแต่คิดว่าคิดว่าหวังว่านะว่าสังคมเป็นแบบเนี้ยลูกสาวสว ย, สวยแต่สติไม่ดีก็คงจะไม่รอ ด, ดแล้วแหละแกก็ทําใจละคือแปลแกเป็นหัวอันรับแกมารับอิสลามก็พาลูกมารับอิสลามด้วย ทั้งสองคนงั้นความสวยเป็นอันตรายแต่ไม่ได้ห้ามสวยนะสุไลคอเป็นอันตรายเพราะความสวยยูซุปเป็นอันตรายเพราะความหลอ่อแต่ทั้งสวยทั้งหล่อเนี่ยมันจะดูแลตัวเองให้พ้นจากวิกฤตได้เมื่อเราเอาอิสลามเป็นตัวตั้งและเป็นกฎระเบียบสําคัญดูแลตัวเรา การอยู่ในกลุ่มก็ต้องระวังโ ด, โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงในยุคปัจจุบันและอนาคตเนี่ยฟิเตตุนิสาวิกฤตที่เกี่ยวกับผู้หญิงนั้นจะมีอยู่มากมายมหาศาอลเราก็บอกในะอันกรุณาแล้วผู้หญิงตกเป็นเหยือ่อทางเพศตกเป็นเหยื่อในทุกด้านเพราะในความอ่อนแอและความอ่อนไหวของผู้หญิงนั้นตกเป็นเหยือ่อยิ่งไปร่วมอยู่ในวงเล่าด้วยไปดืม่ม เพียงรองของเมาด้วยเนี่ยจะคุมสติปัญญาไม่ได้นะอันคอมหรือคอมดุนแบบคอมารอบแบบปกปิดคือปกปิดความคิดปกปิดสติปัญญามันคิดไม่ออกที่เราเห็นข่าวข่าวต่างๆก็เกิดขึ้นเพราะเนี้ยไปอยู่ในวังวนของเหล้าไปอยู่ในวังวนของผู้ชายที่ไม่ใช่มหารมเราไปกับเขาได้ยังไงสำหว่ามุสลิมต้องไม่ไปโดยเด็ดขาด ถ้าลูกหลานญาติพี่น้องที่เป็นมหรอมที่ไม่สามารถจะแต่งงานกับเราได้ทางศาสนาเป็นหลานมั่งเป็นน้าชายเรามั่งอะไรมั่งเนี้ยเราเราปลอดภัยถ้าไปกับเขานะฮนั้นนี่คือการดูแลตัวเองตามที่อันกุรอานสอนนะความสวยเป็นอันตรายแล้วก็ความหลอ ก, ก็เป็นอันตรายในสามที่สอนให้เราลึกไปกว่า น, นั้นก็คือว่า เมื่อพบกับความสวยความงามถ้าตัดสินใจที่จะเป็นคู่ครองกันแล้วเนี่ยเราไม่ตัดสินใจเลือกกับความสวยความงามที่อยู่เพียงภายนอกแต่ลึกไปกว่า น, นั้นต้องตัดสินใจเลือกเลือกอะไรฟัดฟั ด, ฟดบิดาติ ด, ด, ดีเลือกคนที่มีอิสลามที่วิถีชีวิตการขับเคลื่อนตัวเองของพวกเขาเหล่านั้นเขาขับเคลื่อนชีวิตด้วยวิถีอิสลามเนี่ยเลือกคนนี้ ผูห้หญิงก็เลือกคนนี้ผู้ชายคนเลือกคนนี้คนมันจะสะดุดใจที่ความหล่อและความสวยเห็นแล้วมันจะปิ๊งนะเราปิ๊งเสร็จต้องมีออูซุบิลละด้วยแล้วก็มีอาลฮรมดุ ล, ลินละด้วยที่ได้เห็นสิ่งที่สวยงามแล้วออูซุบิลละขอให้พ้นจากความชั่วร้ายที่จะเกิดขึ้นกับเราหลังจากนั้นก็ดูแลตัวเองอย่าเชื่อเขาอย่าตออัดต่อเขา เพราะเขาไม่ได้เป็นอะไรกับเราในขณะนั้นนะก็ครบรู้จักเป็นปกติธรรมดาอย่าอย่าลึกซึ้งเกินกับความเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนที่รู้จักหรือเป็นเพื่อนบ้านจะไปไหนเราก็ต้องมีมารอมไปมันจะดูแลเราได้ ตอนนี้พอพี่น้องของอบดุลเุสมาเจอกั น, นบดุลเุสและเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าคนที่เขาต้องการให้ความชื่อขอความชื่อเลย น, นั้นคือท่า น, นาบอบดุลเุสอะไรวิสลามซึ่งเป็นน้องของเขาเองเพียงแต่ร่วมมารดาเท่านั้นแหมร่วมบิดาร่วมบิดา ก, ก็ก็คิดค่าแล้วจุดหนึ่งที่อุลมามะเขาตั้งข้อสังเกตไว้ก็คือว่าถ้าเรามีลูกจะรักลูกคนไหนมากกว่า อ, อีกคนหนึ่งเนี่ย ให้ซ่อนความรักไว้ในใจนะอย่าแสดงความรักออกนอกหน้าแล้วคนรอบข้างจะอิจฉาลูกเลาก็เหมือนกันแหละรักมากก็อย่าอย่าโอบมากให้มันใกล้ๆเคียงกันแหมไม่งั้นจะเ ก, กิดการอิจฉาเพราะลูกหลานอ่ะมันมันยังไงละ่ะอารมณ์ของลูกหลานที่ต่างกัน่ะมันก็ทำให้เรามีความรู้สึกกับลูกหลานแบบต่างกัน ไม่ดือ้อพูดง่ายเนี่เราก็จะรักไอ้คนที่ดื้อดัอดนๆเ น, นี่ยเราก็จะจะไม่ค่อยรั ก, กว่างั้นเนอะแต่ซ่อนความรักไวไม่งั้นลูกมันรู้มันจะอิจฉานบีท่านบอกว่าถ้าจะให้ทรัพย์สมบัติระหว่างหญิงกับชายให้มากกว่ากันแล้วแล้วก็ให้ให้ผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะผู้ชายผู้ชายก็ได้ส่วนไปแต่พิเศษที่จะให้เนี่ยให้ให้ผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย นะให้ผู้หญิงกับมากกว่ากับผู้ชายพอพี่น้องของลบียูซุบเจอกับนบียูซุบแล้วเนี่ยสํานึกถึงความผิดในตอนนั้นเน่ยถึงกับพูดว่าก้อนมันลลว่าอะไรนะอินนักูไม่อยากจะกล่าววายัสบิตคือรู้ได้ทันทีว่าอัลลอฮ์ให้เนี่ยหมัดมากมาแ ก, ก่นบียูซุบ งั้นคนที่จะได้รับเนี่ยมัดมากๆเนี่ยคือยังไงต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยสองประการไม่อย่างน้อยแหละอย่างมากนะเนื่องแต่เนื้อหามันคุมเนื่องยัตตะกินแล้วตักวาต่ออัลลอฮ์ตักวาคืออะไรรักษาหน้าที่ที่เรามีต่ออัลลอฮ์และหน้าที่ที่เรามีต่อคนอื่นที่อัลลอฮ์บอกรักษาหน้าที่คนตักว่าน่ะ สังเกตก็บอก be careful of your duty รักษาหน้าที่ของเราที่มีต่ออัลลอฮ์และหน้าที่ที่เราพึงปฏิบัติต่อคนอื่นคือต้องมีอิสลามทั้งหมดนะ่ตักวาไวัสฟิตและต้องอดทนสองอย่างต้องคู่กันสังเกตเห็นว่าอัลลอฮ์จะเชื่อมประโยชนด้วยคำว่าวาววาวไว้วาววลีมุตะลกินจัมอีสองอย่างนี้ต้องต้องไปด้วยกันตักวาต่ออัลล์รักษาคาสั่งของอัลลอ์และต้องอดทน ความอดทนมันมีขีดจำกัดแต่อัลลอฮ์จะไม่ทดสอบเบาของโมโองเกินกว่าความอดทนที่เบาพึงจะมีอัลลอฮ์รู้เราจะต้องอดทนแต่นี้อดทนตรงไหนล่ะคนที่อัลลอฮ์จะให้เนี่ยมัดมากเนืองตั ก, กวารักษาหน้าที่ที่เรามีต่ออัลลอ์ผมจึงชอบพูดอยู่เสมอว่าเราต้องเชื่อมโยงตัวเราเองกับคาสั่งของอัลล์ในทุก อิเดียบทรายการเคลื่อนไหวของชีวิตเราจะมีอะไรแล้วก็แล้วแต่ปรากฏการที่ออกมาจากตัวเราส ม, มุติจามฮักเชอร์อย่างนี้ จ, จามลาบีก็อิสลามมาแล้วจามค่อยๆพ อ, อจํามเส็จว่าไงรักษ า, าคํายึดโยงเกี่ยวยงคําสั่งของเรากับข้อปฏิบัติของเรากับคําสั่งของเราจามเสร็วว่าไงไอทำดูลินละอิสลามมาแล้วได้บุญไหมได้บุญ เพราะจามันมีโรคก็ได้จามเพื่อให้คล่องตัวอะไรก็ได้แล้วแต่ถ้ามีโรคไม่ไดขับโรคออกมาแต่เพื่อความคล่องตัวในการหายใจก็ท่มดุลินแล้วนี่เ น, นี่ตักวาระดับระแบบระแบะ บ, ะบอัคลาะบุคลิกของเรากับระดับของภูกรมต่างๆบทบัญญัติต่างๆนะบทบัญญัติต่างๆเราต้องมีตักวา จะภาษสาวาจะอุจจาระต้องทําความสะอาดให้สะอาดเพราะอะไรเพราะถ้ามันถ้ามันเป็นในเยื่เพื่อนในยิสเป็นมุอแตงเนื้อเปื้อนในยิสแล้วเนี่ยเราจะไปละหมาดก็ไม่ได้ก็ต้องถอนออกถอดทิ้งไปอะไรแบบนั้นเราต้องสะอาดใจก็สะอาดไม่ใช่ดิกต่อแล้วร่างกายก็สะอาดปากก็สะอาดไม่ว่าคนอื่น ปากสะอาดแปลงฟันดอีอย่างนั้นยังไม่พอมันสะอาดแต่เพียงฟันแต่เนื้อหาที่ออกจากปากอ่ะต้องสะอาดด้วยน บ, บีบอกไงถ้าปากไม่สะอาดเนี่ยล้มละลายในวันกิยามะถ้าด้วยด้วยกําลังที่ไม่สะอาดทําร้ายคนอื่นน บ, บีก็บอกดอ ah ราบาฮาดาทําร้ายคนอื่นชาตามาฮาดาด่า ah คนอื่น ก่อซาฟาฮาดาใส่ร้ายคนอื่นปากแบบเนี้ยปากไม่สะอาดแบบนี้จะทําให้เราลุมละลายในวันกี่เอามางั้นเอาอิสามาเชื่อมโยงกับชีวิตก่อนพูดต้องไรต้องคิดก่อนฟันยะกุณคอยรอนเอาดียสมุตจะพูดดีหรือไม่พูดดีระวังพูดกับไม่พูดอะไรดีกว่าถ้าพูดไปแล้วดีเอาละทำแล้วพูดถ้าพูดไปแล้วไม่ดีก็ไม่พูด แต่ทุกอย่างต้องคุมด้วยอิสลามตองที่ว่าเราต้องรู้อะไรดีหรือไม่ดีควรพูดหรือไม่ควรพูดนี่คือการดูแลชีวิตแบบอิสลามอารมณ์อารมณ์มต้องคุมนะอิสลามต้องคุมอารมณ์ในตัวเราได้งั้นในการอดความอดทนอดทนใหที่ไหนบ้าง น, นอดทนมีนันอิติลาจากบททดสอบต่างๆที่เกิดขึ้นนตมียูซุกอดทน นะบททดสอบต่างๆที่เกิดขึ้นพี่น้องไม่อดทนความอิจฉาที่ความอิจฉาที่เสียที่มันไม่อะไรมันถูกจุดติดในใจของเขาเขาไม่อดทนที่จะรักษาคําสั่งของลอร์คิดฆ่าอิจฉาคิดฆ่านี่เขาเรียกวโรคภายในเขาเรียกอัมรอดบาตินียะโรคภายในอิจฉา อิจฉาคืออะไรคือไม่ต้องการให้คนอื่นได้รับประโยชน์แม้ประโยชน์นั้นเราจะไม่ได้รับก็าตามเพราะอิจฉาเนี่ยโรคภายในอิจฉาริษยาอาฆาตมาดรรายเคียดแค้นเราเราอย่าไปเก็บไอ้โรคเหล่านี้ไว้ในตัวเราเราจะเครียดเวลาเครียดหน้ามันจะไปอีแบบหนึง่งใช่ไหม ด, ดูเวลามโมโหเครียดผสมกระจกดูหน้าไปอีแบบหนึง่ง เวลาสบายๆ ย, ยิ้มหน้าไปแบบหนึ่ง น, นั้นเครียดเยอะหน้าจะเหี่ยวมันต้องเร่งมอ๋อใช่ไหมแต่ยิ้มเบาๆเนี่ยสบายคุยกันไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องคุยอัสลามอะไรกุม้มดูสีหน้าไม่ดีต่อเราแล้วก็ไม่คุยสลามอะไรกุม้มเรื่องไม่กระจุกไปงั้นเราต้องอดทนต่อบททดสอบทุกคนต้องมีบททดสอบ อ๋อเราบอกว่ลารับรูวันนักกุมไปใช่อิมินันเข้าทดสอบจากความกลัววันยูความหิวหนึ่งกลัวสองหิวสาวันนักิมินันอัมวาดอัมวาดในวัสมารอดทรัพย์สมบัติไม่เคยมีวัสมารอดพืชผลเสียหายประโยชน์ที่ได้รับเสียหายนี่เป็นบททดสอบมาแล้วอลอเรก็บอกว่าวัชลีริซอบีรีนท่านจงบอกคนอดทน นะบอกคราวนี้กับคนอดทนไวอิดะอัลซอบัตุมูซีบะเมื่อวีซีบะบุตรเจ้าศเหล่านั้นมาถึงเราแล้วเนี่ยทางออกของชีวิตจะทํำยังไงเราจะเชื่อมโยงอิสมาห์กับตัวเราอย่างไรกอรูให้เราบอกอย่างนี้อินนาลิลละว่าอินนาอิไยฮิโรจิอูนปลอบใจระดับต้นเลยอินนาดิลละเตือนใจว่าเราเป็นกรรมาสิกของอัลลอฮ ไว้ในอิละฮิรอจูนและแล้นั้นต้องรอจูนต้องกลับขึ้นอิไละฮิไปสู่อัลลอฮฺสุบัตตลาปัญหาก็แก้แก้ด้วยตัวเองไม่ได้ก็แก้ด้วยกับใครบอกคนพี่น้องใกล้ชิดอะไรก็แก้ด้วยกับคนใกล้ชิดแก้ด้วยกับสังคมแก้ด้วยกับอำนาจถ้าคุมีอำนาจที่มีความยุติธรรมปัญหามันก็แก้ดได้งั้นบอกคนใกล้ชิดปัญหาหนักไหมก็ช่วยแก้กัน สองอดทนต่ออะไรอลัลลอฮฺตออัตติต่อการต่ออัตต่อการเชื่อฟังอลัลลอฮฺสตาลาและปฏิบัติตามการเชื่อฟังที่เป็นรู ป, ปรธรรมหนาวหน่อยจะละมาดก็ทนหน่อยถ้าไม่ไว้น้ําอุ่นน้ําอุ่นไม่ไหวแต่ยามมุมอดทนและระหว่างความความไม่ปกติตรงนี้ของภูมีอากาศมันก็เป็นผลแะบุญสําหรับเรา แต่จริงน้ำหยดแรกน้ําน้ํามือแรกน้ําที่เราบ้วนปากล้างแขนอันแรกมันก็ทําลายความหนาวไปตั้งเยอะแล้วเพื่อเพื่อต่ออับต่ออัลลอฮ์สุบัตลาเพื่ออะไรเพื่อปฏิบัติตามคําสั่งขอัลลอฮ์เพราะเรามีคําสั่งกํากับชีวิตจะได้ไม่หลงคืออัติอุลลอห์วะติอุลรอซูลวาอุลิลอัมลิมิงคุมเชื่อฟังอัลลอฮ์เชื่อฟังรอซูลและผู้นําที่มีอิสลาม เอ้ยคนบอกอิสลามอิสลามก็จะแคบไม่แคบอุลมามะได้บอกว่าใครต้องการกว่ามันอัลอฮดัดดุนยาฝ่ า, าละฮิบิลอินมิต้องการความสุขในโลกดุนยาฝ่ า, าละฮิบิลอินมิให้มีความรู้ให้หาความรู้ดุนยาหัวมันอรอดอาคือรอฝ่าละฮิบิลอินมิต้องการความสุขในอาคิอรอก็ต้องมีความรู้หาความรู้ใช้เพื่อไปอาคิอระใช่แบบไหน หัวมันอารอแะฮุมามะอันขายต้องการทั้งสองโลกฟ้อะเลฮิบิลอินมิก็ต้องเรียนทั้งสองโลกโุยยาด้วยอารอ์เคโรด์ก่อนๆไม่สะดวกเดี๋ยวนี้สะดวกนักเรียนจบมาสามไปเรียนที่ศาสนาศรีเรียนซาอูนีภาษาอาหรับแล้วก็เรียนกศนอด้วยสองอย่างเลยสองอย่างเลยเพราะอิสลามไม่ได้แยก ทุกอย่างเป็นอิสลามทั้งหมดไม่ได้แยกทางโลกทางธรรมไม่ได้แยกแต่เราไม่แยกแขนงของวิชาต่างๆตามที่คุณมีความถนัดก็แยกไปอิสลามไม่แยกนะไม่แยกว่าทางโลกไม่แยกว่าทางธรรมต้องเรียนรู้หมดอย่างเวลาเรียนเพิ่มก็ก็ต้องเชื่อมโยงศา ส, สนาให้ถึงวิชาที่เป็นสามัญผมเคยไปที่อส อ, อยุธยามีอาจารย์คนหนึ่งสอนเคมีกับฟิสิก แกสอนปุ๊บเนี่ยแกเอาหลักการทางฟิสิกส์ทางเคมีมาสอนปุ๊บแกจะยกอัลกุรอานมาประกอบเราทำแล้ดีมากเลยมาเจอกันนานแล้วไปยืนฟังไปนั่งฟังฮ่องลุลินล่าย ก, กุราอานอาย่านี้มายกกุราอานอาย่านี้มานะพ่อทุกสิ่งมันมีทั้งหมดเราจะเข้าใจแบบไหนอีกเรื่องหนึ่งงั้นต่อไปสามอดทนอีกอดทนยับยั้งช่างใจเรา เก็บความรู้สึกของเราคือได้อิบติอาหรืออั น, นิชกิวันมาอาสีเราต้องพยายามควบคุมตัวเองให้ห่างไกลจากการชิดิกต่ออัลลอฮ์และสิ่งที่เป็นมักสิยักสิ่งที่เป็นความไม่ดีทั้งหลายไม่ดีแบบอิสลามอัชิดกูฟิชิดิกมีอะไรบ้างชิดิกคืออะไรคือยึดสิ่งสิ่งอื่นว่ามีอำนาจเทียมเท่า Allah. อัลลอฮ์อาชิดกูฟินอากีดะชิดิกนี้เรื่องของอาคีดะไม่มีอย่างอื่นอัลลอฮ์ อัลลอฮุรับบีอัลลอฮุรับบูนาอัลลอฮเป็นพระเจ้าอย่างเดียวอัลลอฮุรบบุอลมีนอกีด้นอัลลอฮอย่างเดียวงั้นเมื่อถึงยึดโยงกับคำสั่งของอัลลอฮอย่างเดียวปุ๊บเราเป็นอะไรเราก็หันสู่ด ع อาที่อัลลอฮบอกเราอย่าไปหันสู่ตะกุดที่คนที่ไม่เข้าใจศาลมันทำส่เห็สยาส า, าเนี่ยโกหกทั้งนั้นแหละ หมอบางคนเลี้ยงยินเลี้ยงอะไรดีไม่ดีตกมุตตัดนะ น, น บ, บีบอกมันอตาอัรอฟันไปหาหมอดูฟาซะอัลฮูไปถามฟะซัลโกฮูและก็เชื่อฟะกัสกาฟรบีมาอุนซิลอลามุมมัมมัสลาสลามเท่าัเขาโคฟอปฏิเสธสิ่งที่ถูกประทานะกับท่านน บ, บีมุฮัมมัดสลาสลามคำสั่งเขาราซูนถ้าเราปฏิเสธคำสั่งเราลอถาเราปฏิเสธเร า, า, ร า, ปราเป็นอะไรในสถานะนั้น นี่อย่าหมอดูตะกงตะกุดอซีมองอาซีมัดไม่ต้องขอถอา่อ้อนวอนลอยอย่างเดียวในบทด้อาอต่างๆที่เกี่ยวกับอิริยาบถของชีวิตแต่งตัวอัลลอฮมุกามะฮัซันตะคอนกีฟะฮั ส, สินคูลกีให้บุคลิกเราดีงามเหมือนกับที่อัลลอให้หน้าตาเราดีงามสวยก็สวยแบบเราไงอัลลอห้ให้เรามาก็สวยแบบเรา หน้าใหญ่ๆจมูกดงก็ไม่สวยหรอกมันก็ต้องบีบแบนๆไปนปิด ห, หน่อยเพราะพื้นหน้ามันเยอะนหน้าบรื้อจมูกแหลมมันผิดปกติ <c oughs> <c oughs> นะอย่าไปทําหน้ามียังไงรักษาอย่างนั้นอ่ะทาแป้งทาครีมว่าไปแต่ไปดึงไปอะไรมันเน่ากันมาแล้วเยอะแยนะหน้าอัลลอฮฺไม่พอใจดึงไปดึงมาเน่าเดีย๋ยไปด่าเขานะอย่าไปว่าเขาของเราไม่มี สวยสวยแบบเราอ่ะอา้าวแล้วใครเหมือนเราบ้างใช่ไหมไม่มีใครเหมือนเราแล้วหนะ้าแบบบาไม่มีหาไม่ได้เราคนเดียวในโลกนะอ่ะล้อยิ่งยยใหญ่แค่ไหนอย่างนิ้วมือเราเนี่ยคนเดียวในโลกใครไม่เหมือนเราเราก็ไม่เหมือนใครนี่อ่ะล้องั้นชิริกอย่ามานะงเง้ยทัวพา เออมันเล้ามันถากกันเรื่องมันอะแต่เรามายุ่งเราจะดัดฟันให้มันดีเพื่อว่ามันเบี้ยวไปบูดๆก็เออสมมนกระจกจะได้สบายใจอืมของเราบล็อกใครบล็อกมันจำง่ายเนอะไปเหมือนกันหมดที่ใครวะเนี่ยเฮ้ยเมียกูหรือเมียมึงอ้าวุณนึกว่าเมียกูอ้าวยุ่งเลยเฮ้ยจริงๆนะเดี๋ยวนี้ดารามันสวยๆเหมือนกันหมด แล้วผู้หญิงเดี๋ยวนี้นะ่ะถ้าไม่ใช่ระบอกอิสลามนะ่ะเมื่อวานดูโทรทัศน์แต่งตัวไม่โป๊ไม่เปรย์หรอกแต่ว่าปิดแล้วก็ปิดตรงหัวนมไว้ปิดตรงนี้ไปไอ้เราของเราปิดทั้งหมดพเราเนี่ยห้ามดูเลยล่ละสวยแบบธนุถนอมกูมีหยาบ อ, อีกโหเนียนหน้าดูเลยแล้วก็สวยแบบแบบของไทยของมันไม่เหมือนกัน อย่าไปอย่าไปเรียนแบบเขาสามตะลุกตะกุดไม่เอานะอาซิมัตไม่เอาทำความดีตามที่อัลลอฮ์สั่งขออุดม อ, อัลลอลฮ์ทำดุลิลละพอแล้วไปแขวนตะกุดจนกระทั่งคอทะลอกอยากจะให้ได้สามีอยากให้มีผัวสามีฟังอยังมีผัวแขวนตะกูดคอทะลอกดางเลยยังไม่ได้ผัวเลยเนี่ย ต่อลังเาเอาตะกุดออกขอดนุญาตอ้อนร้องเราอยากจะมีสามีจะได้ทมีบาดาบีสามีเปดีมงี้มาเรามุ่ง ม, มั่นตั้งใจอลอนร้องให้บุญแล้วใส่ตะการุดเมื่อไรจะได้นะยายาเยู่เงียสวยแล้วสามอดทนต อ, อะไรหนึ่งสองสามสต่ออดทนต่ออาลากรอดดินแล้วต่อกอดัดของเา ต่อกำหนดการขออัเล้อที่กำหนดให้เราสมมติอันล้อให้เราจนผิดด้วยหรือที่เกิดมาจนไม่ได้ผิดที่เกิดมาจนเพราะเป็นกอนดัดงขออัเล้อแต่คนรวยที่ผิดถ้าไม่เกี่ยกูนคนจนผิดที่คนรวยใช่ไหมผิดด้วยหรือที่เกิดมาเป็นคนไม่รู้ ไม่พิษแต่เป็นโอกาสของคนรู้ที่ต้องมาบอกว่านี่คืออิสลามเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นี่คือสังคมเกื้อกูลที่อัลลอฮ์วางระบบไว้แล้วงั้นคนจนเขาก็มีเกียรติที่เขาได้รับอกาศจากคนรวยคนรวยเขาก็มีเกียรติที่เขาปฏิบัติตามค์กับสังคอัลลอฮ์และเอาอกาศให้คนจนนี่นี่อยู่ในระบบเราอบอุ่นไหมอบอุน่น ถ้าเราจะซื้ออะไรไปกินแล้วคนอื่นเห็นเขาอยากกินเราก็ห่อให้มิดชิดอย่าให้เขาเห็นแล้วเราก็ไปเปิดกินที่บ้านเรานี่หิ้วมาเขาอยากกินทุเรียนเราก็ซื้อมาลูกเท่าไรก็ไม่รู้หิวไหมนะคนจะได้เห็นว่ากูกินทุเรียนเขาอยากนะเราบาปนะถ้าเราแบ่งเขาได้เอาเลยเอาแบ่งเขาแบ่งเขาเออนี่ปล่อยให้เขาอยาก เราก็ไปกินคนเดียวไม่ใช่ผมตึงบอกซ้ำหลายครั้งว่าเวลาเขาหออะไรมาอย่าไปถามผมไปบนโต๊ะผมโต๊ะให้กะปิผมก็ห่อไปอะไรอยู่ในถุงกูจะต้องบอกกูด้วยหรอกกูอายกูคเคยเป็นนมมากอย่าถามเจริญสลามอะไรกุมไปไหนไอ่ะไปกับใครอ่ะ ในที่คนเดินข้างหน้านัดกันไว้เป่าอโาวต้องยืนตอบคาถามไปกันแล้วกันสามะอะไรกุ้มวมออะไรกุมุสลามพอแล้วมีคนอยู่คนหนึงหมอสวัสดิ์ตายไปแล้วก็เป็นทนายความหมอไปไหนอ่ะหลายๆหน ห, หมอก็โมโหกูจําเป็นต้องบอกกูเลยกูยไปไหนเรื่องของกูตางนั่นแหละ มันเร่องอะไรของชาวบ้านที่จะต้องตอบคำถามเพื่อนรถก็รออยู่แล้วเนี่ยรถกระโดต้องตอบงั้นอย่าถามอัสลามุอะลัยกุม ข, ขอความสันนิสุกจากอัลลอฮ์จงประสบแด่ท่านอัลฮัมดุลิลแลพอชาวขวิดาเรงงงก็ถามมีรถหรือเปล่าเอออย่างนี้เชื่อ <S <S นะต่อไปอดทนต่ออัลตัดกินมะซยะต่อการละทิ้งสิ่งที่เป็นความชั่วความไม่ดีเนี่ยมันหวานนะมันหอมหวาน เพาะอะไรเพราะเมื่ออารมณ์ของเราเนี่ยอารมณ์ของเราเป็นนับสูอัมมาโรอารมณ์ที่มันจะคร้อยไปทางความชั่วมันมีเยอะในตัวเราถ้ามันทําหน้าที่ร่วมกับชายตอนเนี่ยเสร็จเลยนเนี่ยอารมณ์นี่ยในตัวเรามีแต่ว่าข้างนอกมีตัวกระตุ้นคือชายตอนชายตอนในรูปของมนุษย์ชายตอนในรูปของชายตอนชายตอนในรูปของยินมีหมด แต่เราต้องปรับอารมณ์อย่างที่ผมพูดในตอนต้นว่าให้มุดมาอินนะให้อารมณ์นั้นสงบอยู่กับคำสั่งของอัลลอ์คือเอาคำสั่งของอัลลอฮ์นำทางอารมณ์เราเนี่ยเชื่อมต่อชีวิตอากับกิยาของเรากับคาสั่งของอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละนี่คือการอดทนทิ้งมาสยัดอยากได้ไหมอยากรวยเอ้าอยากรวยขอรัวต่ออัลลอ์ถ้ารวยเร็วแล้วก็เสียคน ถ้ารวยชาเราก็เสียคนอยู่ที่อัลลอฮ์กำหนดแต่นี่อยากรวยเร็วทำไรซื้อหวยทางออกของเมืองไทยซื้อหวยหนึ่งการมัน น, นั้นบนดินใต้ดินพอไม่ถูกก็เอาไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่แบบนั้นแล้วก็พี่น้องในพิธีศึกก็บอกว่ายอมรับเลยว่าอัลลอฮ์จะไม่ทำให้ผลบุญของคนทำความดีนั้นบกพร่อง ต่อไปกอลูพี่น้องของอบียูซุฟเมื่อยอมรับว่าอับบียยูซุฟเป็นนบีเป็นน้องของเขาจริงๆและบุญญามินก็เป็นน้องจริงๆรู้แล้วขอความช่วยเหลือแล้วพี่น้องพูดภาษาตรงนี้ว่ากอลูอัลลอฮ์เล่าให้ฟังตันลอฮีพี่น้องอับียูซุฟพูดว่าตันลอขอสาบานด้วยนามของอัลลอฮ์งั้นมุสตีเวลาจะสาบานเน่ยใช้คำสามคําตัลลอฮีขอสาบานด้วยนามของอลงลาาัลลอฮ์ สองบิลละฮี่ขอสถาบันด้วยนามขอลอ AH. สามวันลอฮีขอสถาบันด้วยนามขอลอ AH. ได้สามสำนวนนะสาบานตันลอฮีบิลละฮีวันลอฮีไอพิงนี่บอกว่าขอสถาบันตอนหน้าสุเรานะนไม่ใช่อสถาบันตอนหน้าสุเราสถาบานต่อนหน้าดวงอาทิตย์ ลาบานต่อหน้าไฟเลยทําไมจิงขอให้กูตายเลยเอ้าขอเถอให้ได้ตัวเองไม่ใช่วันลอฮีแต่อารับมันจะชินอะไรก็แล้วแต่วันลอฮีวันลอฮวันลอฮวันลอฮขอสาบานด้วยน้ำของอัลลอฮ์ยอมรับแล้วแล้วก็ดาระซาลอกรอหัอะไรนะแท้จริงอัลลอฮ์ได้เลือกท่านแล้วโอยุซุบเอ๋ย อะไรนะให้มีสถานภาพมีสถานะที่ดีกว่าฉันสูงกว่าฉันเด่นกว่าฉันรับสภาพแหละไอ้คนที่ตัวเองต้องการข่านี่แหละ ว, วันนี้เจอตัวจริงแล้วว่าอลัลลอฮ์ให้เป็นขุนขังของอ้หยิบแล้วนี่ยอมรับแล้วอลัลลอฮ์ได้เลือกท่านโอ้ยูซุฟเลือกท่านนนให้เกียรติไอ้ยูซุฟมีเกียรติเหนือพวกเราหนึ่ง เป็นขุนขังของอียิปต์สองอัลลอฮ์ได้เลือกท่านเองมิสถานละเนื้อเราคื อ, อได้เป็นคุณติลกวาต่ออัลลอฮ์ดูสิรู้ว่าพี่น้องต้องการมาขอความช่วยเหลือเห็นแล้วแล้วไม่ไ ม, ไม่แค้นไงไม่แค้นเคืองไม่อาคตาก็เนี้ยก็คงจะคิดวัดใจเขาได้แค่นั้นอิมานได้แค่นั้นไงไม่ใช่แค้นต้องชําระถ้าแค้นต้องชําระไล่กลับเลยไม่ต้องให้หรอก จนก็จนไปอดก็อดไปแต่ไม่ชําระอิสลามต ส, สอนว่าที่สุดของความแค้นคือทํำยากหน่อยเพื่อได้ให้อภัยกระยีหน้าดูแค้นที่สุดเลยอแต่ทำดีลิล่ะอัลลอฮ์ทดสอบฉันขออนุญาตอัลลอฮ์ให้อัลอเปิดใจเข้าด้วยให้อยูกอ่กับออิสลามเนี่ยที่สุดของความแค้นคือให้อภัยต้องทําใจ เราก็จะให้ผลตอบแทนแกเ่เราเ ร, ราแค่ต้องชําระคนญี่ปุ่นตอนตอนพบกับวิกฤตเนี่ยสมมุติรัฐบาลเขาบอกจะแจกน้ำคนละขวดคนญี่ปุ่นไปเข้าคิวเรียงเอาน้ำคนละขวดสองขวดก็ไม่เอ า, เ, อาเขามีระเบียบเขามีวินยัยและถ้าถ้าเขาไม่ได้รับน้ําวื่อน้นเจ้าหนะ้าที่จะเอาน้ําไปส่งถึงบ้านนั่นคือความรับผิดชอบงั้นเราต้องดูงั้นน บ, บียูซุฟมีสถานะเหนือพวกชั้นเน่ย พวกเราในวันนี้ พ, นพ่อนวิซุปตักวาตอเอลไม่เคยแค็งไม่เคยพยาบาทสองมีความรู้ความรู้ที่ในวีซุปมีเด่นที่สุดคือการทํานายฝันที่อลัลลอฮ์ให้ทํานายฝันหลายในซุปก็ได้เคยเล่าความฝันของท่านให้กับในบียากูฟังในบียากูก็บอกเก็บความฝันเหล่านี้ไว้ในวิฝันใด้เห็นดาวสิบเอ็ดวง อ น, นี่เราไอ้ตัวอาหะดาอัชาลอเกากาบันดาวเ็ดดวงว่าชั้มสวรรค์ก็มัดเห็นดวงอาทิตย์และดวงจันทร์นั้นเราไอ้ตัวหุหืมลีซายดีนเห็นสิ่งเหล่านั้นสะอยู่ต่อฉันนี่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอนาคตแต่นบียรู้รู้ว่าไม่ต้องเล่าให้ใครฟังงั้นฝันดีก็เก็บไว้ฝันร้ายก็ไม่ต้องเล่าพอฝันไม่ดี นะพอไปเล่าไอ้คนไม่รู้อิสลามก็อุย้ยระวังนะเวย้ยนี่โดนแน่เลยนี่ระวังลูกจะตายอ้าวเราก็ทุกข์ไปแล้วนะฝันดีอัลฮัมดุลิลลาห์ฝันไม่ดีว่าไงอัลกุสบิลลาฮิมนะชัยตอนนิโรยีอยากไหมไม่ต้องไปรู้หมอไม่ต้องไปหาหมอดูหมอดูคู่กับหมอหมอเดานะถ้ามันไม่เดาจะเอาที่ไหนมาดู อดูสาวสาวสาวสาวมันก็ต้องมีความทุกข์เรื่องแฟนเรื่องอะไรอุ้ยนี่ดวงตกเนี่ยต้องต่ออายุเนี่ยอต่ออายุอะไรได้หมะใช่ไหมก็ดูดูสีหน้าคนนี้ดูสีหน้าเก่งดูเศร้าเนี่ยไม่ใช่หรอกไม่ใช่มีตังค์เยอะหรอกไม่ได้มีความสุขเท่าไหร่หรอกแต่ร่างไม่ก็เป็นข้อเส้นใจก็ก็ฝันดีนะ แันกียามาจะมาถึงแต่บอกอีมาไ ม, ม่มาว่ารู้ตั้งนานแล้วปรากฏการณมันเกิดขึ้นเยอะวิกฤตมันจะรุนแรงรุนแรงจนกระทั่งว่าเมื่อถึงวันจริงเนี่ยมันจะมีลมพัดมาจากเยอรมนเยเ ม, ยมนลมเนี่ยมันจะพัดมาถ้าคนดีเนี่ยจะตายแบบใบไม้ไไไร่วงไม่ทรมานแต่คนไม่ดีเนี่ยจะทรมานโคลาหล์น เนยคนกติความออระเบิดนิวเคลียร์หรือเปล่ายังๆงทิ้งระเบิดกันไปทิ้งระวบดกันมาไม่ใช่นั่นงั้นคนอีมาเนี่ยนะอาธรรมดินละตายเป็นใบไม้ร่วงแต่ไม่เจ็บตายแบบสบายแต่คนไม่ดีตายแบบวิกฤตมากอืมนะบอกแล้วอัลลอฮเลือกท่านให้มีสถานภาพเหนือฉัน ตรงที่ไหน 1. ึ่งบิลมุลกีเป็นเป็นผู้นำประเทศเป็นขุนขางสองวอร์รีออและมีตำแหน่งอื่นๆอีกที่เขานาย บ, บิยูซูปได้รับความไว้วางใจใช่ไหมสาบานงั้นในสิ่งที่ดีเหล่านี้ถ้าคิดมาก่อนหน้านี้นะจะไม่ฆ่านาย บ, บิยูซูปหรอกแต่อิฉาอ่ะแรงทุสยานะอ่ะอิฉาที่ผมบอกเป็นโรคภายในเนะี่ยเป็นโรคทำลายล่าง มันจะลายอ า, า, าศัตยากรุณหัสนาตการอิจฉาจะทำลายความดีกามตากราุกก่ารุณค่ะก็เหมือนไฟที่มันกินฝืนไฟสูงขอน่ะท้ายสุดมันเหลืออะไรพอขอนไม้นั้นไหมทั้งหมดเหลืออะไรเหลือเท่าฐานเหลือขี้ฝุนกูบารุนก็มีฝุ่นที่กระจัดกระจายไม่ได้มีประโยชน์เลยนั่นจะอิจฉาเห็นเขาดีขอดอาตอเลให้ฉันได้แบบเขาบ้าง เราจะได้การชิดอัลลอฮ์เราได้การชิด All. อัลลอฮ์ช้าเร็วไม่แน่เราขอวันนี้ไม่ได้อัลลอฮ์ให้วันหน้าอัลลอฮ์ก็รู้ว่าถ้าให้เร็วเนี่ยคนเราถ้าได้เนี่ยมาเร็วได้ความต้องการเร็วเนี่ยมาทีเราสำลักความรวยคนรวยหลายคนเสียเพราะคนก่อนจนอยู่ได้พอสำลักความรวยปึ๊บเสียเลยแล้วก็เพื่อนเยอะ อ่าเพื่อนเยอะพอตั้งบนแล้วก็ไม่ไมีใครรู้จักเรานะแล้วก็รู้สังคมเราไวาน์กุนนาละ์คอตีนคือไวอินไออินนาแท้จริงเรานั้นลคอตีนเป็นคนที่มีความผิดคื อ, อไรคอตีนผิดตรงไหนอารซีมีนมีบาป ฟีอเมริกาในปเในเรื่องราวที่ฉันได้กระทำต่อท่านโอ้ย oh, ูซุฟเอ๋ยว่ันอะาดันลกะแล้วที่เราที่อะไรไม่ไดีสร้างความเจ็บปวดให้กับท่านเป็นความผิดวันนี้เพิ่งนึกได้นึกได้ตอนไหนตอนจน อันนี้เราโอกาสนึกได้มีตลอดเพราะเราบอกเราแล้ ว, ลวขอะลลาตัศรีบะอาไลากุมนบียูซุก็บอกว่าลาตาศรีบะอาไลากุมูลียม์มยุซุพูดว่าไงนะั้นมีอํานาจขนาดนั้นไม่เคยคิดเอาคืนแค้นชําระแค้นตองชําระไม่มีลาตัศรีบะอาไลากุมูลีย์มเราใจไม่อาฆาตพยาบาทท่านลาตัสรีบะคือไง จะไม่ไม่มีการประนามการลงโทษไม่มีการอาฆาพยาบาทพวกท่านทั้งหลายในวันนี้ทั้งทที่เป็นโอกาสก็ไม่คิดที่จะเอาคืนนะไม่คิดจะเอาคืนยอฟิรุลล้อฮุลรนาวลาคุมซ้ำรลยังมีน้ำใจที่ดีกว่าความรู้สึกนี้อีกตรงที่บอกว่าขอเราได้ยกโทษให้กับพวกท่านทั้งหลายด้วยนี่ นะรู้ว่าเขาคิดอคาาติคิดไม่ดีก็แล้วรู้กับขอร้ um องยังคืรุนลอองละกุมขอร้องยกยกโทษให้กับท่านทั้งหลายด้วยไม่เอาโทษไม่เอาเรื่องไม่เอาเราและขอต่อร้องให้ยกโทษกันทั้งหลายด้วยทําไมวาหัวอารหามุอารอไฮเมีนพ่อร้อ ง, เ, อ เ, ออง ah เ, เป็นผู้ทรงเมตตายิ่งเหนือผู้เมตตาทั้งหลายไม่มีใครเมตตาเท่าพระองค์ นั้นวันนี้โลกดนยาเนี่ยซีกหนึ่งเป็นคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอ์ทำไมอัลลอ์ดูแลอัลลอ์มีสีฟ้าอัลลอฮ์มานอัลลอฮ์ฮัมอัลลอฮ์มานคือดูแลทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมาดูแลหมดมุสลิมก็ดูแลกาเฟก็ดูแลสิงสารสาสตร์ต้นไม้อัลลอฮ์ดูแลทั้งหมดระบบอัลลอ์ดูแลทั้งหมดให้ประโยชน์แก่มนุษย์ทั้งหมดแต่อัลลอฮ์ฮมอีกสีฟ้าหนึ่งนี่อัลลอฮ์มานเฉพาะดนยาอัอฮฮมความเมตตา อีกชั้นหนึ่งอลัลลอฮ์จะให้เฉพาะคนเป็นมุหมินเท่านั้นในวันกียาม์มางั้นกาเ ฟ, ฟ่ได้รอให้ไม่ไม่ได้ยูฮดนอซอ ร, รอมายุซีไม่ได้ได้แต่รอมาอาลัลลอฮ์ให้หมดอ่แล้วแล้วรวยกับเราล่ะความรวยไม่ใช่ตัวตัดสินอลัลลอฮ์บอกไงนะ เอาแล้วคนที่อยู่บนโลกดนยานี่ประโยชน์ที่ได้รับของคนในโลกดนยานี่เพื่อเปรียบเทียบกับอาคริรอดที่เราจะให้การตอบแทนเหมือนกับเราเอานิ้วไปจุ่มในทะเลและยกนิ้วขึ้นมานั่นคือประโยชน์ดนยาที่มนุษย์ได้รับแต่ที่อยู่ในทะเลทั้งหมดนั้นนะ่ะเป็นประโยชน์ที่เราจะต้องตอบแทนให้ในวันเกียาติมาสําหรับคนที่เป็นมุ่งมินงั้นวันนี้เรารวยพันล้านสองพันล้านหมื่นล้านเท่ากับเอานิ้วไปจุ่มในทะเลแค่นั้นแหละ แต่ส่วนที่เหลืออัเราจะตอบแทนให้กับเขาในวันกิยามะมันเยอะขนาดไหนนี่นี่คือมุู้มีผู้ศรัทธาต่อบรับแต่คนมีอย่าลืมคนไม่มีนะอย่าอย่าปล่อยให้เขาจนให้เขาหิวนะเขาอยู่รอบบ้านเราเรารู้เราจะต้องถูกสับสวนในวันกิยามะต้องช่วยเหลือตามสภาพอย่าปล่อยทิ้งไว้และอย่าพูดละเมินสาคนจน อิทาบูบีกอมีซีแล้วะระเบียสุก็พูดกับพี่น้องของเขาที่มาข อ, อก็จัดสินใจให้หมดแล้วให้เยอะด้วยแล้วก็บอกกับพี่น้องว่าเอาเสื้อของฉันตัวนี้บีกอมีซีฮาดาบอกกับพี่น้องว่าเอาเสื้อของฉันตัวเนี้ยเอาไปให้พ่อของฉันฟาลกูฮูอลาวะจีอาบียะติบาซีรอนแล้วไปมอบให้พ่อ แค่เอาไปเอาไปรูปหน้าทำร้องเนี่ยเอาไปไปอะไรไปไปไ ป, ไปโยนไว้ที่หน้าไม่ใช่รักษามไม่ดีก็เอาไปรูปหน้านะเป็นรูปหน้าพ่อยะตีบาซีรอนพ่อก็จะมองเห็นความเศร้าความเสียใจของพ่อเน่ะถึงกับตามองไม่เห็นร้องไห้จนตามองไม่เห็นเห็น ไ, ไหมนี่ละเอาเสื้อไป วาตูนีเบีอาริกุมอาจมาอินและนะให้ท่านทั้งหลายนั้นนําครอบครัวทั้งหมดมาหาฉันวาตูนีเบีอาริกุมอาจมาอินทั้งหมดเลยไปพามาตอนหลังก็พี่น้องของอบดุยูซุฟก็มาอยู่ที่อียิปต์ทั้งหมดนะมาตายทั้งหมดที่อียิปต์และนะ้วนบดุยูซุฟก็ตายฝังที่ปาเลสไตน์นั่นเองในในนูนะ่นน่ะฝัง สพนบีเยอะแยะที่ปาเลสไตน์อาจารย์ท่ใช่ความ้่อกเนิดของยาใช่ใช่ประวัติมีนะต่อไปเก้าสิบสามเอ่อต่อไปอีกนะ อ่าหมดเลยนี่นะที่ซาบิอมีซีหมดแล้วแต่นี้เขาบอกยังไงก็พี่น้องของนบิอุสุปก็ไปอยู่กับนายบิอุสุปทั้งหมดเลยที่นายบิอุสุปบอกให้ไปก็คือเด็กๆ็กลูกหลานเราไปหมดแล้วก็ไปอยู่ที่ไหนฟีอับดีกันอานแผ่นดินที่ชื่อกันอาญนะแผ่นดินี่ชื่อกันอานอิลาอัตดีมิสูด มินัดจากแผ่นดินของพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ที่กันอานไปสู่แผ่นดินของมิสรออิยิีตที่เป็นแบบนี้อะไรนะมันน่าปลื้มใจตรงด้วยตัเดเบีรอนมิ น, นลออินอันซีตินฮาคิมเป็นการจัดการของอัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ที่ใหย้ยบีซุกบอกแบบนี้แล้วก็บอกกับพี่น้องให้ไปอยู่อียิปต์แล้วก็ไปตายกันที่นู่งั้นเราได้รับความรู้จากตรงนี้บอกไงครับความชั่วเนี่ย เป็นต้นกําเนิดของความงี่เง่าภาษาบ้านๆเป็นความไม่ดีความความอะไรนะความชั่วนะเป็นต้นกําเนิดของความไม่ดีงามคือคิดชั่วใช่ไหมก็เป็นต้นกำเนิดของความไม่ดีงามที่ตัดสินใจที่จะฆ่านา บ, บียูซุกนั้นไอเรื่องที่เป็นชั่วอยู่ในมาอาซีมาซียัดเนี่ยความชั่วที่อยู่ในใจอหรืออยู่นอกใจเ่ยมันเป็นความไม่ดีแต่ว่าอะไร สถานะที่ดีกว่าก็คือชฉรีย่ยอ่อนลอยึดไว้คําสั่งองอนลอยึดไว้คําเตืนอนออนลอในเรื่องความผิดต่างๆก็หลีกเลี่ยงนี่นี่คือทางยึดประการที่สองเรื่องการตะ ก, กววและการสบัตดินั้นจะทำเวลาพบกับพุทนุนคอติมะบ้านปลายที่บริสุทธิ์สำหรับชีวิตตั ก, กวัวรักษาคาสั่ ง, อ, ง อ, อ่อล่อและอดทน มื่กี้บอกแล้วอดทนมีกี่อย่างนะอดทนอดทนต่อการทดสอบอดทนต่ออะไรการต่ออ่นต่อเลาะอดทนต่อการที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงความชั่วร้ายอดทนต้องหนีจากชีวิตอดทนที่พ้นจากความชั่วอดทนต่อกําหนดการของอัลลอฮ์อดทนต่อการที่จะทิ้งสิ่งที่มักสยัดที่อะไรที่มันมันเร้าใจแต่เราสามารถทนได้ทิ้งได้นี่แหละจะได้รับบันปะที่เป็นฮุสนุนคอติมะ ในรายการสุดท้ายก็คือว่านาบิยูซุปไม่เคยคิดเอาคืนก็ให้อาภาัยกับพี่น้องเนี่ยเราก็นะใครอะไรก็เราพรู้ว่าเขาผิดเขากลับตัวเราก็คิดจะให้อาภั ย, ย่าเอาคืนอย่าคิดแบบว่าแค้นต้องชำระก็ไม่ได้ชำระท้ายสุดก็ครอบครัวก็มีความสุขนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับด้วยกับเวลาที่เหมาะสมก็ขอจากพี่น้องเพียงแค่นี้ سبحانالله وبيحمدك أشهد لا إله إلا أنت_astaghfiruka واتوب إلي พี่น้องอดทนฟังอีกนิดนึงไปทุนไหนก็ได้ไม่เป็นไรอาจารย์ยายาติดรถสาเหตุที่ติดรถเพราะอะไรเพราะรถติดนะ ตอนี้มาดูต่อต่อจากกาจารยายาเดียเดี๋ยวๆดี๋าวเดี๋ยวอาามารถติดติดรถมาดูตรงที่บอกว่าลัมาะสลติลัยรกอลอบูฮุมอินนีลอาิดูรีฮยูซุก่อนนั้นนั้น่ะอย่ามิยูซุกให้เอพี่น้องเอาเสื้อไปให้พ่อพอไปไป รูปหน้าพ่อปุ๊บตามองเห็นเลยดูสิฝั่ง ม, มาฟาซาลตีไอ้รูเมื่อกองคารวานของพี่น้องอบดยูซุฟได้ออกมาจากอียิปสู่ประเทศชามประเทศชามก็เดี๋ยวนี้ก็ซีเรียกลับมาสู่ซีเรียเดินทางจากอียิปมาสู่ซีเรียเนี่ยเดินทางแปดวัน กองคารวาเลเดินแปดวันสี่เดียเดือนนี้หนาวสงสารประเทศที่สวยมากแต่ถูกทำลายทั้งหมดอืมที่ไหนนบีอิสซาเนะเวลาเดินทางใจหยิบสู่ประเทศซามมาถึงแล้วมาถึงบ้านเนี่ยก็ละอบูฮุม พ่อของน บ, บียูซุปและพี่น้องของน บ, บียูซุปก็พูดว่าอินนีละอาญดูรีฮายุสุฟะแท้จริงฉันเนี่ยได้พบคือได้กลิน่นเรียบะกลิน่นเรียบสำหรับลมได้พบลมของยูซุปคืออะไรได้กลิ่นน บ, บียูซุปเราล่อให้ไม่ใช่ยูซุปกลิ่นแรงนะเป็นกลิน่นกลิ่นของน บ, บียูซุป เราลกาแสดงว่าอะไรนบิยุสตายไหมไม่ตายนบิยุสอยู่ไม่ตายเราละอันตัวฟันดีตฟันนี้ดูนี่หาท่านไม่กล่าวว่าฉันหลงไหลนะคือบอกงี้ได้กินขน้านบิยุซุปไอพี่น้องเ็บอกโอ๊ยพ่อเพี้ยนหรือเปล่าเห่นะแต่รลองให้นบิยากูบได้กินขน้บยุซุ ก็เกิดความมั่นใจว่านาบียูซุฟยังมีชีวิตอยู่อ๋อรอให้อะไรให้สิงบอเคให้พ่อได้รู้ อ, อ๋อรอมาตั้งนานกี่ปีเนี่ยคีดถึงลูกแล้วลูกที่รักด้วยไม่ได้รั ก, กคนอื่นรักลูกเหมือนทุกคนแหละแต่ว่ายูซุฟกับบุญยมินเป็นเด็กที่น่ารักรอแล้ว อ, อ, อ, อาการพ่อรักและส่วนมากก็จะรักล้วเป็นน้องสุดท้องอะไรตัวเล็กกว่าทำงีย แล้วก็พ่อนาบีซุบะได้กินนาบีอูซุบแล้วก็บอกกับพี่น้องนาบีซุบะท่านอยากล่าวว่าฉันลหลงไหลอย่าอย่าบอกว่าฉันลหลงไหลนะพ่อหลงเนี่ยเพ้อเปล่าไม่ใช่อันระ้อยจริงจริงกอลูตัลลอยินนกลาฟีตอลาลิกันกันก็ดีม ลูกหลานของนาบียูซุพวักขั่ของนบียูซุ ก, ก่าวลูกหลานคนละนักกล่าวว่าตันล้อฮี่ขอสบายด้วยน้ำขออัลลอฮ์อินนากาลาฟีดอลาดอลาลิกัลกอดิมแท้จริงท่านนั้นเป็นยังไงอยู่ในการหลงว่านาบียากุ้มในหลงเพราะอะไร เพราะลูกหลานนั้นคิดว่าการจากไปตั้งนานนมเนี่ยคิดว่านบีซุปตายแล้วแต่แต่พ่อเนบีซุปว่าได้กินเนบีซุปแต่ลูกหลานว่าสถาบันได้นาความล้อแท้จริงท่านน่้นหลงแล้วเพ้อหรือเปล่าหลงหรือเปล่าเบื่อหรือเปล่ า, ล เ, ล า, เ, เ, ลาเพี้ยนหรือเปล่าสถ า, าบันเราเพราะอะไร พรลูกหลานคิดว่านบิซุปตายแล้วจากกันตั้งนานคิดว่าตายแล้วแต่นบียะกุปพูดนั่นเราให้ให้นบิยะกุบได้เหได้ได้ได้กินแล้วพอเสื้อมาถึงก็เอาประวัตคุมหน้าแบบนี้ก็มองเห็นก็เป็นเป็นเป็นเป็นเป็นฮิดายะจากกันเหระเป็นเป็นเป็นร่อมาที่ร่อมอบให้กับนบิยะกุบอืม มันกม็มีสิ่งบอกเหตุแหละมันมีสิ่งบอกเหตุถ้าพี่น้องกลับมาตอนนั้นมาเล่าว่าว่าเจอใครเจอใครอันแต่ตอนนั้นก็ยังไม่รู้นะพี่น้องก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอบดยูซุฟตอนหลังเพิ่งรู้มันเป็นบทสรุปไปถ้าท่านตักว่าต่อหรออินตะตกินแล้วอยากจะอันละหูมัครอยาถ้าเราตักว่าต่อเราจริงจริงเราจะให้มีทางออกสําหรับชีวิตจะออกแบบไหนอทำแล้วออกถูกทางที่อันหรอกำหนดให้ การคำสั่งการล้อเอาเอ า, เอาเป็นเป็นหลักสําคัญเอาล้อสั่งทำเอาล้อห้ามหยุดเอาล้อสั่งรายเสริมเราทํานี่เขาเรียกว่ามุสลิมผู้ศรัทธาต่อรอจริงต้องอได้สัเมียนวะว่าตอนาะได้ยินแล้วแล้วก็ตออัดมันมีประโยคนึงสั่งเมียนะวะซอยนาได้ยินแล้วฉันก็จะทรยศเหมือนอย่างที่ฉันเป็นมันอยู่ที่เราแหละ إ ม م ا ن เรามีความ เข้มพอไหมที่จะรักษาอิสลามไว้กับเราได้ใช่มาโ น, นยศรัทธาต่อรอน้อยอิสลามที่ปฏิบัติเป็นรูปธรรมก็น้อยตักวันต่อรอก็น้อยแลกลับไปสู่โลกอาคีรอที่เป็นโลกที่ยาวนานไม่มีโลกใดอีกแล้วดุนยากับอาคีรออดุนยาดารุนอามันดุนยาเป็นโลกแห่งการปฏิบัติวันอาคีรอตู้ดารุนยาซาอาคีรอเป็นโลกแห่งการตอบแทนวันนู้น คอลีดีนาฟิฮาอาบาดะดูตลอดการนะวันนี้แป๊บเดียวห้าสิบหกสิบตายแล้วเจ็ดสิบหกสามสิบตโลกนู้นยาวนานที่สุดวันนี้สิ่งที่เราต้องระวังก็คือว่าพยายามอย่าให้มีบาปติดตัวบาปตัวเราเองเราก้บ้าระวังเราก็องปันลอ้อแต่บาปที่เราทำกับคนอื่นเนี่ยต้องไปขอมาอับเขาต้องไปขอมาอับเขา ขอมาอับเลยนะยกให้้วยหน้าฉันเลยว่าไปแบบนั้นแบบนั้นไม่ไว้จำเลยนินทาไปแล้วอย่าพูดเรื่องคนอื่นอ่าอํารอดบาตินิยโรคภายในอ่ะเยอะนี่ผมพูดแทนใจา ย, ายายานะโรคภายในเยอะโรคนินทาโรคอิจฉาดูทูก ย่อเย้ยถากถางข้างใ น, นหมดคือชตาตมาฮาจาชอบด่าปกอซาฟาาฮาชอบใส่ร้ายา ย, ย่างพูดถึงเรื่องคนอื่นพูดดีแต่พูดไม่ดีเราต้องไปขอมาอัพเขาเห็นนี่เป็นยังไงทำแล้วทำแล้วนะรู้เพียงคัดดีนะแต่ทำแล้วก็ดีคนทุกคนน่ะมันจะมีส่วนดีแหละแล้วเอาส่วนดีนเข้ามาพูดไม่ละมาเราคนนั้นอะแต่ว่า คนนั้นเป็นไงทำแล่วดีนิสัยดีนะเจอกับทักทายดีอะไรดี เ, ออเฟื่อเพื่อดีอะไรดีไม่ละมาจะเรื่องของมันอุ้ยไม่ละมาด้วยอะไรอดี๋วมันก็รู้แล้วกเกณฑ์บาเล็กแล้วท่านนั้นก็ต้องต้องเตือนกันแนะนำกันแต่คนก็จะใครเขาจะแนะนำเราเราก็ต้องเป็นบุคคลที่เขาดูว่ายอมให้คำแนะนำ เราเราต้องเราต้องอยู่ในศาสนะที่ว่าถ้าเขาพูดดีๆกับเราเื่องศาสนาคำและแลฟังแต่คนพูดเขาจะดูถูกคนผิดบางทีเขาน้อยใจบางทีเขาเกิดความรู้สึกเหมือนกันแล้วก็ก็คำละพี่น้องกันเน่ะมันใครที่ไหนอ่ะเป็นพี่น้องร่วมชาด้าเดียวกันมีกะริมอเดียวกันนี่คือเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะกะริมอนี้มันต้องต้องอยู่กับเราตอนที่เรามีความเข้มแข็งเวลากล้จะตายเนี่ยกะริมอนี้มันจะได้มา ผมี่ห่วงด้วยส่วนตัวผมกังวลนะบางทีไม่ค่อสบายสิมันมันลืมอ่ะลืมนั่นลืมนี่ลืมบางที่อ่านอุอาอย่างหนึง่งไปไปอีกอย่างนึงเอองั้นเวลาใกล้ใกล้จะตายเกิดลืมชาด้านะลืมกันลเลย่ยอะไรแล้วเสร็จเลยนะไหนจะโรคอาการของโรคไหนจะชะตอมาไหนจะเมลิกัดมา ความโกรหลนท่านั้นเนะเยอะแยะมากกาลิมอจะอยู่กัลเรหรือเปล่างั้นคนกล้าตายเขาเนีห้สอนกาลิมอเลยอีเลยอิละลอให้เขาว่าเพราะอะไรจะได้เข้าอยู่ในคำสอนที่บอกว่าเหมือนกาณาอาคิโุกาลามิฮีเลยอิละอิลลอห์ไดเขาลั่นจันนะใครที่ประโยคสุดท้ายจบด้วยคำว่าเลยอีเลยอิลลอห์เขาจะได้เข้าสวรรค์แม้จะมีบาปบาปหมดก็จะได้เข้าสวรรค์เพราะมีเลยอลิลอ il งั้นเลยในร้อเนี่ยเป็นกุญแจไขาสวรรค์แต่กุญแจต้องมีฟันกุญแจที่จะไขอะไรได้มันต้องมีฟันฟันของกุญแจคือได้บางทีฟันที่เป็นละหมาดฟันที่เป็นบวชประกาศทัดที่เป็นความจริงเ่มันต้องมีฟันงั้นตรงเนี้ยแล้วเวลาสอนมาวากระบอกกับพวกเราแล้วว่าสอนเนี่ยมันต้องสายทานอง ก่อนก่อนผมไปสอนกันหรือวาคนตายผมก็แทบตายคนตายก็เกือบตายเลออีเลฮ์ฮาอินละลอไปถามอิตุว่าได้ยังอ๋อเลออีเลเราก็พอแล้วที่หูใครเข้าได้ยินพอเขาพูดได้ก็พอแล้วให้เป็นคำสุดท้ายพอแล้วงั้นก่อนนอนน่ะว่ากาินยัเลย พวกนี้จะได้ตื่นหรือเปล่าไม่รู้ให้เป็นคำสุดสุดท้ายเลยละอิละอิละลอเอาสุดท้ายมั้ยไม่ใช่หมโหกันหันหน้าหันหลังให้กันโมโหจนหลับไปหรือมองก็ไม่ได้ว่านะอย่าไปโมโหนานนะนั่นนั่นคือคือสิ่งที่เราต้องระวังการชีวิตของผู้มีบุญสตาต่อร่อนเนี่ย มันมีอะไรล่ะมันมีข้อปฏิบัติที่เป็นการเกี่ยวโยงกับอัลลอ์เสมอเราต้องตื่นตัวเสมอเาเรียกยาุนเราต้องมีความตื่นตัวคนตื่นตัวของมุสลิมตื่นตัวแบบไหนอัลลอฮีนายากุกรู้นั่นอลอ่อให้ซิกเกตต่อลอ่อนึกถึงอัลลอฮ์นึกถึงคาสั่งนึกถึงด้วยซิกเกต็ตดวกลิิกรุนซิกเกตต่อล่อนะ กิ亚马วโกดาวาลาจุนูบิหิมไม่ว่าจะยืนจะนั่งหรือจะนอนต้องสิกิตสิกิตคืออะไรซิกลุนบินลีซานสิกิตด้วยกาลินว่าไปสุภาณลอยคำเราลองบัดเลยเราร้องว่าไปซิกลุนบินก้อนบีนึกถึงอัลลอฮฺอัลลอฮฺเป็นเจ้านึกถึงนบีที่เป็นรซุนของพระองค์นี่ความตื่นตัวเราต้องตื่นแบบนี้ ตื่นแบบเอาอิสลามเอาไว้กับเราย่สกุรู้นันลอกียามันในช่วงยืนว่าโอดันในช่วงนั่งว่ารายยูโนบีมและนอนคุณเรานหะส า, สามช่วงของชีวิตมันเป็นแบบนี้ทุกคนไม่ยืนก็นั่งไม่นั่งก็นอนเรานึกถึงอัลลอฮ์ตลอ ด, อลอดนึกถึงคำสั่งอัลลอ์ตลอ ด, อลอด การซิกลูโลบิลิซานกว่าไปถึงสุภาณอัลลอฮรื่องโลกมาสละวันอัลบีว่าไปอ่านกุรานซิก ล, ลน ก, ลลกลบิลิซานซิกลูโบิลกบนึกถึงอหออจะเกิดขึ้นกนาวันนี้เราหิวได้เวลาแล้วยังไม่ได้กินเลยอาจจะก่อนหน้านี้เคยอิ่มมาแล้วแล้พอเราหิวจริงเราจะได้รู้ว่าคนจนที่เขาขาดแค่นจริงๆเขาหิวขนาดไหนคนมาเล่านะไม่ได้หรไม่ได้ความรู้สึก แต่ถ้าความรู้สึกนั้นเกิดกขึ้นกับเราจริงๆเราจะรู้ว่าเขาเป็นแบบไหนมาแล้วอย่ายืนอยืยนชี้รถอเไหมนี่งั้นบททดสอบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันวัดตัวเราอ่ะอิสลามอยู่กับตัวเราไหมเวลาโดนอะไร อะไรนถูกหัวไม่เท่าทำดินแล้วก่อนทันไหม <laughs> เออเซตันมันจะมาก่อนอิสลามมาทีหลังส่วนมากก็เป็นนั่นแหละวันนั้นผมเดินเตะประตูแม่โอ้โหสู้กว่าจะา่าทำอะไได้งั้นต้องนิ่งก่อนเซตันมันมาแล้วมันมาแบบอเออออรนนุชเลยไอวอรนุชหรือออรันนุชวอรนุชนะ <laughs> มันจะวรนุษแต่อัลฮัมดุลิลละสู้ให้อิสลามมาก่อนได้อืแต่นี้สู้ให้อิสลามอยู่กับตัวเราจะได้จะแน่นจะยังไงเดี๋ยวอาจารย์ยายาบอกฮะว่าไม่ได้และฮะยายาเนี่ยนามกุลลายามูดยายาพอเปน็น้ำไม่ตายแต่นามกุลได้ถ ย, ถ ย, ถยต๊ะมา ง, งี้เ <laughs> ช่นท่านครับอาจารย์ครับ